<c oughs> <c oughs> ยังไม่หกทุ่มเลยไปนอนนิบเดียวก็อิ่มแล้วจะไปนอนอะไรมาก <c oughs> ขอกาครูบาอาจารย <c oughs> ์นั่งฟังพอเป็นหมู่ เก็บเอาสาระธรรมอยู่ข้างๆธรรมาอย่างนี้แหละจักโยนเวียงขึ้นอยู่เรื่อยปีที่แล้วก็เหมือนกันเอาแต่ว่ามีผู้สมัครจะตั้งใจฟังก็ให้ตั้งใจฟังขึ้นชื่อว่าธรรมะ <c oughs> พูด เวลาใดเป็นสริริเป็นมงคลทั้งนั้นพูดสถานที่ใดพูดเวลาใดเป็นสริริเป็นมงคลทั้งนั้น <c oughs> รับความเป็นมงคลเข้าสู่หัวใจอีกทอดหนึ่งตอนหนึ่งนาโมตัสสะ พะควตโตอรหัโตสัมมาสัมบุธธตตสัตนะโมตัสสะพะควโตอรหัโตสัมมาสัมบุธธตตสัตนะโมตัสสะะควโตอรหัโตสัมมาสัมบุตตสัตปูชาจัปปุจนียานาังเอตัมังกลาลุปตมันติ บุญญากิริยาย่อมเจริญในหัวใจของผู้ตั้งใจตั้งใจเอาบุญนับตั้งแต่เรากุลีกุจอมาจากบ้านมาร่วมงานครูบาอาจารย์อาจารย์จิรวัฒน์พระครูวัชรธรรม มาจากเนี่ยนังแต่เริ่มกระดุกกระดิกหาสิ่งหาของหาอะไรจะ อ, อะไรมาร่วม ง, งานท่านนั่นบุญญากิริยาจิตใจดูดื่มกับบุญมาตลอดเดินทางมาก็ระลึกถึงตลอดอ ม, มาตั้งรงทานมาบริจาคทาน มาเสียสละกำําลังสติกำําลังปัญญาเรี่ยวแรงเป็นบุญญักิริยาทั้นนัน้ครูบาอาจารย์มาเป็นจํานวนมากมาพร้อมกันร่วมกันทําวัดสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ด้วยเกิดเป็นสริริเป็นมงคลเป็นบุญญากิริยา ทั้งหลายทุกง่วงเข้าสู่ห้ยใจของเราทั้งนั้นห้ยใจของเราเป็นผ่าชนะรองรับบุญรับไปมากเท่าไรรับไปน้อยเท่าไรรับไปทุกระยะทุกวันทุกเวลาทุกนาทีได้ยิ่งดีเอาจนเต็มปึงตึ ง, ตงเหมือนผ่อนใต้ยานชิรวัฒนนันน่นแหละโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ง พวกเราก็ฟังธรรมะไปแล้วสามคั้งท่นานยันใหม่ท่านก็เมตตาไปแล้วชั่วโมงส0บนาทีท่านพระอาจารย์สุธรรมสี่สิบนาทีที่ลงไปเมื่อกีก้กท่านอาจารย์สมหมายห้าสิบนาทีนั่งฟังตรงนี้ตลอดนะกำหนดดูเวลา รู้สึกว่าบรรยากาศดีมากวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำตลอดนั่งภาวนาจิตใจชุ่มเย็นตลอดบางช่วงบางระยะรู้สึกลมพัดเย็นข้างหลังให้เขาไปปิดประตู <c oughs> ขึ้นชื่อว่าบุญแล้วนำความสุขมาให้วันนี้พวกเราทั้งหลายศิษยานุศิษย์ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งบรรพชิตทั้งคราววาดมาร่วมบุญมุติตาสการะของครูบาอาจารย์ด้วยแรงกตัญญูกะตะเวทีเท่าที่เราเห็นมา ไม่มีใครที่ขยันสอนลูกศิษย์เท่ากับพระอ า, าจารย์กีรวัตรเราเดินด้วยการตลอดไปรุ่นไปนี้ด้วยการตลอดเอาอยู่นั้นอนะ่ละสับอยู่นั้นแหละสับเพื่อที่จะเป็นให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นงานเป็นการขึ้นมาทำให้หลายหลายคนกลจิตกลับใจ ได้สติได้ปัญญาได้อัดได้ทำได้เยี่ยงได้ยากได้ข้อประพฤติได้ข้อปฏิบัติทอาจารย์ใหม่ท่านก็พูดแนวปฏิบัติให้เราฟังรวมทั้งพูดถึงผลที่บังเกิดขึ้นในใจของท่านให้พวกเราได้ยินได้ฟังทุกคนหวัง ทุกคนปรารถนาท่านตั้งหกตั้งใจทำมาสินระยะเป็นเวลานานแต่เวลาท่านมาพูดให้เราฟังแป๊บเดียวพวกเรารู้สึกเกรียมยิ้มย่มยองในผลงานหล่าน้นที่ท่านได้ทำมีภูมิอัดภูมิรมภายในจิตใจของท่านทำให้พวกเราอยากได้ อยากมีและก็อยากเป็นเหมือนท่านอยากหรือไม่อยากทาใจทาใจเจ้าของเองอยากเฉยเฉยมันยังไม่เปลี่ยนดอกต้องไปทําเอาการสั่งสมบุญกุศลการสั่งสมบา ร, รมีเริ่มต้นมาพร้อมกันเริ่มต้นมาต่างวาระ ก, กัน ประกอบไปแล้วมากน้อยก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผลรายได้ที่เพึงเกิดขึ้นในหัวใจขเราจึงไม่เท่ากันเราดูผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราจัดเราทาการตั้งใจให้ทานมากน้อยเท่าไหร่ตั้งใจรักษาศีลเสียสละมากเท่าไหร่การตั้งใจภาวนา ถ้าเราอยู่โดยลาพั ง, งได้ครึ่งชั่วโมงไหมได้หนึ่งชั่วโมงไหมแต่เห็นพอจะได้ผลอยู่หน่อยก็คือนั่งภาวนากันมากๆเพราะต้องระวังถ้าไม่ระวังเดียวไ ด, ได้รับความอับอายหายท้องเพราะอะไ ร, รเพราะเคลิมหลับไปบ้างระวังไม่พอบ้าง จิตไม่อยู่บ้างเลยต้องได้สำรวงได้ระมัดระวังคนที่มีความชำนาญแล้วนั่งกระมูก็ได้รับความสะดวกสบายนั่งคนเดียวยิ่งสะดวกสบายแต่ถ้านั่งกระมูพอเป็นพอไปด้วยความระอาย บางที่ไปนั่งคนเดียวอยู่คนเดียวเคยนั่งได้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็เอาแล้วพอแล้วนี่คือการทํางานทํางานไม่เต็มที่ทํางานไม่ต่อเนื่องผลไรได้จึงไม่ไม่เป็นไปนตามเป้าประสงค์ของเราการได้ยินได้ฟังเราได้ยินได้ฟังมากมายแต่การที่เราจะทํา ถ้ า, าเราเจริญได้ทุกระยะทุกขณะเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตันสสอนและก็แสดงอา น, นิสงส์ไว้ในมหาสติปัฏฐานอันนี้เราย่อมได้ประสบพบผลแน่นอนเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอย่างที่ท่านว่าอย่างแท้จริงมีแต่มีใครบ้างมีใครสักกี่คนที่ทำได้จ่ออยู่ตลอด เป็นตะปะทำแผ่เผาอยู่ในหัวใจของเราตลอดไประบมอกเป็นอบไปรมกิเลสในหัวใจมันเร่าร้อนตลอดถ้าทำได้ที่ขนาดนั้นแล้วในใจของเราก็จะสุขก็จะงอมได้สุขงอมด้วยแรงระบมด้วยแรงอบด้วยแรงรม แต่ถ้าเราทำไม่เต็มที่ทำขาดช่วงขาดทำครึ่งกลางกลางมันก็จะได้ผลอย่างนั้นเองธรรมานุธรรมะปฏิปฏิผลทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นตามเหตุที่เราประกอบ <c oughs> ท่านพระอาจารย์จิรวัตเป็นคติตัวอย่างเยี่ยมอย่างหนึ่ง ที่เราควรเอาเป็นคติเป็นตัวอย่างท่านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ปีก่อนนั้นเราก็เคยพูดเองฟังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราดูจะเราดูแลเราปลื้มปีติยินดีไปกับท่านตลอดทุกครั้งที่เราใจมาใสาตรงนี้ท่านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านดูพ่อดูแม่ให้ที่อยู่ เท่ากับให้ทุกสิ่งทุกอย่างเอพ่อแม่มาอยู่วัดจะตอนตอนนี้ได้ยินว่าแม่ไปอยู่กรุงเทพกับไม่อย่างก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่ได้ถามเราดูเรื่องเดียวแค่นี้ถ้าเราพูดถึงบุญถึงอุศนถึงอาณิสงส์โอ้แค่นี้เราก็กินไม่หมดแล้ว พูดถึงเราเราท่านท่านถ้าเราทำแค่นี้เอาปก เ, เอาใจใส่เลี้ยงดูพ่อแม่แค่นี้ก็รับประทานไม่หมดแล้วบุญกุศลไห้หวดใหญ่รับประทานไม่หมดแล้วพ่อแม่แม่เป็นแดนเกิดพ่อแม่เป็นแดนปลูก พ่อแม่ร่วมกันปลูกปลูกต้นชีวิตร่วมกันปลูกในท้องแม่ต้นชีวิตต้นหนึ่งเกิดในท้องแม่มีพ่อกับแม่เป็นผู้ร่วมกันปลูกด้วยบุญ ด, ด้วยกรรมคุณงามความดี ที่เคยเกี่ยวข้องกันพ่อแม่แบ่งปันทานให้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เป็นกองสังขารกองหนึ่งเป็นต้นชีวิตต้นหนึ่งถ้าเราจะเทียบไปที่ต้นชีวิตของต้นไม้ต้นไม้ไม่มีวิญญาณครอบแต่ต้นชีวิตต้นนี้ เป็นต้นชีวิตที่มีวิญญาณไปจับจองโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เป็นวันอุรมมงคลเป็นสิริมงคลอายุวัฒนะมงคลของท่านหรือต้นชีวิตของท่านครบหกสิบสี่รอบหกสิบสี่ปีก็เป็นต้นชีวิตที่เลยกลางไวัยไปแล้ว ถ้าจะพูดถึงความเสื่อมของสังขารก็เข้าสู่ความเสื่อมแล้วสังขารห้าสิบปีเป็นต้นไปก็จะเริ่มเสื่อมแล้วเริ่มเสื่อมเริ่มบำรุงเริ่มปนเริ่มปนแรงตาเกยความจำเลยกำลังเรี่ยวแรงเลย ก็จะเริ่มป่อนแรงต้นชีวิตต้นนี้มาบรรจุครบรอบเป็นอุมะมบคลวันครงนี้พวกเราดูอันนี้เป็นคติตัวอย่างเอามาถือเอามาประพฤติตามเอามาปฏิบัติตามอุปถัมภ์บำรุงพ่อแม่พ่อแม่ส่วนหนึ่ง ที่เรามองเห็นก็คืออัตภาพร่างกายของเราทุกคนมีพ่อมีแม่ทุกคนได้อัตภาพร่างกายมาจากพ่อมาจากแม่เรามีความผูกพันมีความเกี่ยวข้องกับพ่อกับแม่อันนี้เป็นกระบวนการการเกิดของชีวิตเรามีบุญมีกรรมมีอัตภาพร่างกาย มีจิตใจมาเกิดด้วยอุ่นด้วยกรรมเราได้ถูกพัฒนาเจริญวัฒนาถาวอมาด้วยระบบระบบ ก, การอุบัติมาเป็นมนุษย์อุบัติในท้องแม่เป็นกองสังขารกองหนึ่งเกิดในท้องแม่หรือจะเป็นต้นชีวิตต้นหนึ่งเกิดในท้องแม่ ขึ้นชื่อว่าสังขารไม่เคยคงที่ไม่เคยอยู่เท่าเดิมเวลาล่วงไปการล่วงไปวันผ่านไปสังขารก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่เคยอยู่เท่าเดิมพระพุทธเจ้ทาท่านทรงเสดธรรมเอาสังขารเป็นที่ตั้ง เพื่อให้เราเห็นโทษเห็นภัยของสังขารเนื่องจากรูปธรรมของเราเป็นกองสังขารนามธรรมาคือจิตใจของเราก็เป็นกองสังขารคำว่าสังขารสังขารคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปจะเรียกว่าสังขาร เราพูดถึงรูปสังขารก่อนธาตุพ่อธาตุแม่ธาตุของพ่อดินน้ำลมไฟธาตุของแม่ดินน้ำลมไฟประกอบกันในท้องแม่กลายเป็นกองสังขารกองหนึ่งแล้วก็มีนามธรรมเข้าไปเกาะไปกลุ่มไปเกี่ยวไปคล้องทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรม บวกเข้าไปอีกเป็นกองสังขารที่มีวิญญาณครองเราพูดถึงนามสังขารคือจิตคือทารู้คือผู้รู้ก็เป็นกองสังขารพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าสังขารจิตที่บริสุทธิ์ของพระอรหันต์พระอริยขีณาสพทั้งหลายท่านไม่เรียกว่าสังขาร ถ้าเรียกว่าวิสังขารจิตของพระอาหารหันต์ไม่เรียกสังขารจิตของพระพุทธเจ้าไม่เรียกสังขารเรียกวิสังขารเป็นสิ่งอื่นต่างหากจากสังขารเพราะสิ่งนั้นมีหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองกับสิ่งใดแต่จิตของพวกเรานั้นปนเปื้อนมากับอวิชาตันหาอุปาทานคือกิเลส พระเจาท่านจึงทรงแสดงต้นของสังขารคืออวิชชาอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารอันนี้เราเข้าหลักเราทิ้งหลักไม่ได้หลักอันนี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงรำพึงรำพันพิจารณาเมื่อสมัยพระองค์เสวยวิมุติสุขอยู่ที่บริเวณต้นโพน ลองพิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาทอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดของสังขารคำว่าอาวิชชากับกิเลสกับตัณหากับอุปาทานมันก็อันเดียวกันมันเป็นสิ่งที่เคลื่อนแฝงมากับจิตจิตคือผู้รู้คือท่ารู้ท่ารู้ของเราไม่บริสุทธิ์ปนเปื้อนมากับสังขาร เราจึงถูกพัฒนาไปด้วยพบด้วยชาติทั้งหลายทั้งปวงพบสูงพบต่ำพบดีพบยากพบละเอียดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่รู้จักจบไม่รู้จกสิน้นเพราะมันมีสิ่งปนเปื้อนปนมาด้วยเปื้อนมาด้วยเป็นกองสังขารไม่เคยห ย, ย, ย, ย, ย, ย, ยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่เราดูดพบชาติของเราเคยหยุดนิ่งอยู่กับที่หม ไม่เคยหยุดยิ่งอยู่กับที่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรมเป็นสัตว์เดริชานเป็นสัตว์รกเป็นสัตว์รพัดจะเปลี่ยนกันอยู่นี่แหละไม่หยกไม่สิน้นจิตดวงนี้ไม่เคยคงที่ไม่เคยอยู่กับที่เพราะตัวสังขารเองก็ไม่พาให้หยุดอยู่กับที่อยู่กับที่ถ้าเรามาพูดถึงกําเนิดเช่นอย่างเรามากําเนิดในปัญจโวการเช่นอย่างเราเป็นมนุษย์ อาการหปัญจโวการเนี่ยนี่ก็เป็นกําเนิดกําเนิอดอย่างหนึ่งกําเนิอดอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ ก, กโวการเนี่ยมีแต่รูปไม่มีนามกําเนิอดอีกอย่างหนึ่งมีแต่นามไม่มีรูปจะเรียกว่าจตุโวการทั้งเอ ก, กโวการทั้งจัตุโวการอ น, นั้นเป็นกําเนิดของผู้ที่ตั้งใจบําเพ็ญความสงบ แต่ก็พิจารณาเห็นโทษไปในแง่ที่ไม่ใช่หลักอ น, นิจยัยงทุกขังอนัตตาไปเกิดเป็นพรหมที่มีแต่รูปไม่มีนามจะเรียกว่าเอกโกรกานไปเกิดเป็นพรหมมีแต่นามไม่มีรูปแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นปัญจกโกรกมีรูป ซึ่งเป็นกองสังขารที่เป็นสวนรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตซึ่งเป็นกองนามนามทั้งสี่นี้เป็นอาการของผู้รู้เป็นอาการของผู้รู้ด้วยเหตุที่เรามีอวิชชาติดชนะหลังมาทําให้พบชาติของเราที่ขึ้นสูงขึ้นต่าําสับเปลี่ยนกันไปไม่จบไม่สิ้น เรามาพูดถึงว่าภพภูมิของเราเกิดในปัญจโภการเจริญ ง, งอกเงยในท้องแม่สังขารไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงยกเอาสังขารมาเป็นต้นในการพิจารณาให้เห็นโทษเพื่อที่จะปล่อยปละละวากกองสังขารสังขารไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ เป็นกระแสของสังขารที่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นมีเราเห็นมีสังขารใดบ้างหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่เคยนิ่งอยู่กับที่เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเราดูเห็นง่ายงายเราดูเห็นชีวิตในท้องแม่อ้ไะท่านพูดถึงกําเนิดของคนเนี่ยธาตพ่อธาตุแม่ประกอบกันในท้องแม่ก็เป็นน้ำใสๆเป็นหยดเล็ก พอไปประกอบกันได้สัตว์ได้ส่วนแล้วก็เจริญขึ้นมาเรื่อยเจริญขึ้นมาเรื่อยเจริญขึ้นมาเรื่อยในระหว่างที่เจริญนั้นถือว่าต้องมีต้องมีวิญญาณไปจับจองแล้วต้องมีวิญญาณไปจับจองแล้วถ้าไม่มีวิญญาณไปจับจองหยดน้ำหยดน้ําก็ ขับถูกดันให้สูญหายละลายทิ้งไปถ้าเป็นโตขึ้นมาหน่อยที่เรียกว่าท่านเรียกว่าแท้งแทงออกมาไม่เป็นรูปเป็นร่างตามเพราะไม่มีคุณสมบัติพอไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ขยับมาเรื่อยโตมาเรื่อย จากใสๆมาเป็นน้ำข้นๆเป็นน้ำเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจาสาขามีหัวมีแขนมีลำตัวมีขาอยู่ในท้องแม่นั่นแหละมีสายรบสายสะดือเป็นท่อลำเลียงเอาอาหารดูดไปเลี้ยงตัวทุกระยะทุกเวลาเหมือนกับโรงงานโรงงานหนึ่งเกิดขึ้นในท้องแม่ ทำงานอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนไม่เคยหยุดเอาไปบำรุงหล่อเลี้ยงจนครบอัยวะสามสบสองเจดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนคลอดออกมาเคยอยู่กับที่ไหมไม่เคยอยู่เท่าเดิมความไม่อยู่เท่าเดิมของสังขารนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าทุกขงังทุกขังในที่นี้ไม่ใช่ความทุกข์เหมือนอย่างเรานั่งเจ็บเรานั่งปวด พวกเราเรารู้แต่ว่าเราทุกทุกเพราะเราเจ็บเราปวดแต่ในความทุกข์ในหลักอริยสัจสี่นั้นคือความทุกข์ที่ไม่อยู่เท่าเดิมไม่คงที่ไม่คงทนไม่คงที่ความไม่คงทนความไม่คงที่นี่แหละคือความทุกข์ทุกขังทุกขังความไม่อยู่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจ์มาสืบช่วงกัน จะว่าอันเดียวกันกระยช่ยจะว่ากิริยาสื่อช่องต่อจากการกายชัยเพราะฉะนั้นท่านจึงระพุทธเท่านงสิ้นทรงตรัสว่าอ น, นิจจังยังไงทุกขังก็อย่างนั้นทุกขังยังไงอ น, นิจจังก็อย่างนั้นทั้งอ น, นิจจังท่านทุกขังนี้เป็นกระแสะของธรรมชาติธรรมชาติเหล่านี้จะต้องมีอยู่อย่างนี้เป็นไปอย่างนี้ใครไปดัดแปลงให้เป็นไปอื่นเป็นไปไม่ได้ ไม่เหมือนกระแสน้ำกระแสน้ำนี่ถูกพัดไหลลงที่ต่ำอย่างเดียวแต่เราสามารถผลักดันขึ้นที่สูงได้เช่นอย่างเร า, เาสูบน้าขึ้นที่สูงเห็นไหมสูบไปอยู่ดูนบนตึกเป็นร้อยชั้นกันยังสูบขึ้นไปได้นี่คือกระแสน้ำถูกดูดขึ้นโดยอานาจของสูบแต่กระแสของอนิจจังทุกขังนั้น ไม่มีใครไปดักแปลงได้ด้วยเหตุที่เราดักแปลงไม่ได้นั่นเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาอนัตตาต้องพยายามทำความเข้าใจตรงนี้อนัตตานัตตาความคิดความอ่านในใจของเราที่มีอวิชชาตันหาอุปาทานอยู่ในนั้นมันมีความต้องการไม่อยากเปลี่ยนอยากคงที่ อยากให้เป็นนิจจงไม่อยากให้เป็นอนิจจงไม่อยากให้เป็นทุกขังไม่อยากให้เป็นอนิจจงตรงการข้ามถ้าเป็นทุกขเวทนาก็อยากให้เป็นสุขเวทนาอยากให้เป็นสุขขังอยากให้เป็นนิจจงความคิดของตัณหาในหัวใจของเรามันพาใจเรานึกเราคิดอย่างนี้เราดูไปที่ใจของเราทุกคน มีความต้องการอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นความนึกคิดอันนี้มันเป็นความนึกคิดที่มันคานกับพระแสของธรรมชาติตราบใดที่อวิชาตันหามันเต็มแพร่อ ย, อยู่ในหัวใจของเรามันจะมีความนึกความคิดอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นตราบใดที่พอจะพิจารณาเห็นรางเห็นเป็นร่องรอยเห็นจ็ต เ, เห็นเป็นกลุยหมายป้ายทาง ว่าโอ้ อ, โอันนี้จากโอ้ทุกขงังโอ้อันันตามันจะเริ่มเกิดความรู้สึกว่าทำให้เราเนี่ยรู้สึกเบาสบายปลอดโปร่งขึ้นมาแล้วไอ้สิ่งที่หนักหน่วงทวงใจมันจะไม่ค่อยมีเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นสิ่งเหล่านี้มันจะเริ่มเกิดความรู้สึกเบาสบายมีความสุขมีความปลอดโปร่งเพราะอะไรเพราะแรงยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วยปาทานมันบางไปมันเบาไป นี่คือกระแสของขอ ง, ของธรรมชาติผู้ใดฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าจนจิตใจสามารถรับเอากระแสรตรงนี้ได้ผู้นั้นเข้าถึงกระแสธรรมเหมือนอย่างพระัญญาโกธัญญาซึ่งเป็นพระสงฆ์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกคนแรกท่านฟังธรรมธรรมะหยักกับพระวัฒนาสูตรที่เราฟังกูบาอาจารย์เจริญ พระพุทธมนต์ไปเมื่อตอนค่ํานี่เสร็จแล้วท่านได้เข้าถึงกระแส ธ, ธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมท่านได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยบดอะไรยังกินจิตสมุทัยธรรมะสัพปัญตังนิโรธธรร ม, มสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตั้งอยู่ไม่ได้เป็นธรรมดาเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาก็คือดับไปเป็นธรรมดา นี่คือจิตเข้าถึงพระแสธรรมยอมรับเต็มเปี่ยมเต็มร้อยขั้นหนึ่งระดับหนึ่งของความเป็นพระโสดาบันสามารถลบล้างทิฏฐิในหัวใจของตัวเองได้สามารถลบล้างทิฏฐิในหัวใจของตัวเองได้ว่าเป็นอัตตาว่าเป็นอัตตาอย่างเต็มร้อยยังมีความรู้สึกอยู่แต่ไม่เต็มร้อยเมื่อก่อนนั้นมีความรู้สึกเต็มร้อย ถ้าใจจิตได้ไปสัมผัสสัมพันธ์ตรงนี้เข้าไปแล้วจะเกิดความรู้สึกว่ามีอัตตาจะเริ่มลดความเป็นอัดตาจะเริ่มลดลงไปเริ่มลดลงไปเพราะรู้จักกระแสะของธรรมชาติตรงนี้นี่คือกระแสะของธรรมชาติลักษณะอนิจจังลักษณะกับกับลักษณะทุกขันเราดูไปที่รูปธรรมของเราคือสังขาร ที่เราเกิดในท้องแม่จเจริญขึ้นมาจเจริญขึ้นมาจเจริญขึ้นมาเราพยายามดูอันนี้แหละดูให้เป็นกลุทธหมายปลาทางทราบว่าเราจะพิจารณาให้เกิดประโยชน์กับการจเจริญภาวนาของเราเราจะไม่ทิ้งร่องรอยไม่ทิ้งเหตุผลไม่ทิ้งหลักไม่ทิ้งไม่ทิ้งหนทางที่จะนําไปสู่ความบริสุทธิ์ภาในหัวใจของเราจะทําให้เราเข้าใจ จะทำให้เรารู้จักว่าอะไรพาอะไรยึดกันแน่นี่ตัณหาในหัวใจตัณหาคือความอยากในหัวใจสิ่งเหล่านี้มันติดมากับสังขารของเราสังขารที่ประกอบไปได้วยอวิชชาตัณหานั่นแหละตัณหานั่นแหละมันเป็นตัวสังขารประกอบมาด้วยกันกับธาตุรู้ผู้รู้ของเรา ความธาตุรู้ของเราคือจิตของเรานั่นแหละธาตุรู้ของเราไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เพราะสิ่งนี้ปนเปื้อนมาเรามาพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าท่านเสียสละบํบาเพ็ญบารมีประเภทสี่อาศงไขแสนหมากับแปดอสศงไขแสนหมากับสิบหกอาศงไขแสนหมากับปราถนาปราถนา มารือมาฟื้นมาแยกสิ่งที่ปนเปื้อนกับจิตตัวนี้แหละออกให้เหลือแต่จิตบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระองค์จึงมีหน้าที่มาขวนขวายมาฝึกฝนมาอบรมหาวิธีหาช่องทางหาอุบายก็เหมือนอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังได้รู้จักว่าวันเพ็ญเดือนหกนั่นแหละเป็นคืนที่พระองค์ได้ อาสวัคคัยญาณอาสวัคคยญาณของพระองค์พระองค์ตั้งใจบำเพ็ญนั้นไม่เหมือนพวกเราตั้งใจบำเพ็ญอยู่ในเดี๋ยวนี้ขณะนี้พระองค์ตั้งใจบำเพ็ญ ด, ด, ด้วยเรี่ยวแรงของพระองค์วิธีการใดๆก็ตามพระองค์ไปทดลองทดสอบหมดทั้งรู ป, ปรสมาบัติพระองค์ก็ได้อารู ป, ปรสมาบัติพระองค์ก็ได้ไปเรียนอยู่กับ อ า, าระดาบทุตกระดาบทจบภายในระยะเวลาที่สั้นอาจารย์บอกว่าเธอเรียนเอาความรู้เราไปหมดแล้วจบแล้วความรู้ที่เรามีเธอเรียนจบหมดแล้วแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ย้อนไปที่พระจิตของพระองค์นะยังมีกอกทุกข์เต็มแพร่อยู่ในหัวใจในพระไั่ของพระองค์โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มีความรู้มีความสงบละเอียดถึงขนาดนั้นก็นตาม แต่ไม่สามารถที่จะแทงทะลุไปได้แทงทะลุไปได้ไม่มีบัญญัิที่จะพิจารณาเห็นอันนี้อางทุกขังอนัตตาปล่อยยังไม่ได้ยังมีอัตตาตัวตนเต็มแปร่อยู่นั่นแหละความสุขในรูปปัสมะบัตในอารูปปสมาบัติอยากให้มีผู้เสพสุขอยากให้มีผู้สวยสุขถ้าไม่มีผู้สวยสุขแล้วจะมีความสุขได้อย่างไง น, นี่คือความนึกคิดของผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจบงเพ็ญบารมีแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้จับเสือมึงเปล่าท่านบรรลุด้วยบุญญาบารมีที่สังสมอบรมมาแล้วทำให้พระองค์เห็นว่าโอ้นยังไม่ใช่ทางยังไม่หมดทุกพระองค์ต้องได้มาออกมาบงเพ็ญแสวงหาด้วยเรียเร่ยวแรงของพระองค์ยังต้องมาทาทุ ก, กแร กระกิริยาอัตตกิลมัทฐานุยกเพิ่มเติมอีกมากมายเช่นอย่างท่านพูดไว้ในหลักท่านพูดถึงพระองค์มาทรมานกายเช่นอย่างกัดฟันด้วยฟันเที่ยวกดพระทนด้วยพระทนกดเพดานด้วยพระศิวหานกดพระตาลุก ด, ด้วยพระศิวหาตาลุกคือเพดานแล้วก็กลั้นหกลมหายใจไม่ให้ไม่ให้ลมหายใจ ออกสะดวกสบายสบายลมไม่มีทางออกออกทางหูนี่ที่ทรมานทรมานไปทรมานไปก็ไม่มีช่องทางวิยาบรรลุไปได้พูดถึงเสวยพระกริยาหานี่ก็เสวยตั้งแต่อิ่มหนึ่งอิ่มธรรมดาธรรมดาลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงทิละคำลจนเหลือหนึ่งเม็ดหนึ่งเมล็ดข้าว เราคิดดีสโพระองค์ทำหมดก็ยังไม่พบพระฉะั้พระองค์จึงตั้งใจจะบังเกิดความเพียนทางด้านทางด้านจิตใจเอ่ยไหมในคืนวันเปลนเดือนหกพระองค์ตั้งทรงตั้ ง, ง, ต, งตั้งใจบังเกิดวันนั้นเป็นวันที่นางวิษณ์สุชาดาถวายข้าวมัทุพายาพระองค์ปั้นปั้นปัน ป, นปนได้4ี่สบเ้าก้อน ก็ถือไปเสวยที่ฝั่งแม่น้ำในรัญชราเสวยจนหมดเสรแล้วก็ลอยถาดอธิษฐานตั้งสัจจาทิ่ฐานคาว่าธิษฐานนี่ยอธิษฐานหมายความว่าปรารถนาสัจจคือเอาสัจจเป็นเงิ้อผันว่า ง, งั้นเถอะถ้ามีบุญบา ร, รมีที่จะได้บรรลุธรรมขอให้ถาดใบนี้ลอยทวนกระแสนะ้ำ ถาดก็ลอยทวนกระแสน้ําได้แปลกไหมที่คือการตั้งสัจยาที่ฐานเสี่ยงบุญบา ร, รมีที่บำเพ็ญมาถ้าเต็มแล้วพร้อมแล้วขอให้มีอานุภาพลอยทวนกระแสน้ําได้ถาดลอยทวนกระแสน้ำเห็นไหมที่เราได้ยินด้วยฟังนั่นคือตอนเช้าจนเวลาตอนค่ำเรากลับมาที่จอนโพ ร, รับยาคามาปูตา่างบรรลัง บางแห่งท่านก็บอกว่า mm hmm. พระองค์อธิษฐานวัชระบันลังหลังจากอธิษฐานวัชระบันลังหรือป mm hmm. ูยา่ายาคาที่โคนต้นโพตอนข้ามวันนั้นหันหลังให้กับต้นโพหันหน้าไปด้านทิศตะวันออกหันหลังให้กับต้นโพท่านแ้ก็ตั้งใจ ตั้งสัจยาทิศฐานปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีตั้งสัจยาทิศฐานก็คือตั้งสัจจ์แลกด้วยกับความต้องการที่ว่าจะได้จะได้จะไ ด, ะได้หรือจะไม่ได้ตราบใดก็ตามถหากยังไม่ได้บรรลุเป็นบรรลุธรรมรู้ทั่วถึงธรรมอัตธรรมเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาด เนื้อเลือดเนืออแห้งไปเหลือแต่หนังหุ่งกระดูกก็ตามจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขานี่คือโปรองตั้งสัจจะทิฏฐานสัจจะทิฏฐานนี้ควรจะมาเป็นคติตัวอย่างสำหรับพวกเราที่เราทําอะไรแล้วให้เรามีการตั้งสัจจะทิฏฐานเพราะการตั้งสัจจะทิฏฐานนี้มันจะเกี่เป็นเครื่องมัดมันเป็นกรอบที่เราขีดวางจํากัดให้กับจิตของเรา ในขณะที่เราตั้งเป็นกรอบขี่ดวงยากัดให้กับเรามันเหมือนกับเป็นการข่มกิเลสไปในขณะนั้นในขณะเดียวกันตั้งสัจ ญ, ญาทิฐานจากนั้นพระองค์ก็ตั้งใจบางเพียนท่านพูดถึงว่าในปฐมปฐมยามพระองค์ได้บรรลุปุเพนีวาสารุสติญาเห็นพบชาติของพระองค์ย้อนระลึกย้อนหลังไปไม่มีจบไม่มีสี่จบ เป็นกับกับเป็นวัตจักรเป็นวิวัฏจักรไม่รู้จบจบเกิดเป็นโู้นเกิดเป็นนี้เกิดเป็นนี้เกิดเป็นนั่นความยาวไกลในวัฏสงสารไม่รู้มันถูกพัฒนามาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่มากน้อยเท่าไหร่ไม่รู้จักแต่ละลึกย้อหนหลังไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบ น, นี่ในปฐมยามนะพระองค์ได้ญาณปุกเพนิวาส า, านุสติญาณคําว่าญาณก็คือความรู้อย่างหนึ่งเกิดขึ้นในพระชัยของพระองค์ ไม่ใช่ปัญญาธรรมดาแต่เป็นปัญญายานยานอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในถ้ากลางจุกตูปปาตยานอันนี้เห็นพบชาของสัตว์สัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายเกิดตายทั้งสองยามนี้เห็นจะเรื่องเกิดเรื่องตายของพระองค์กับของสัตว์ทั้งหลายเอออะไรเป็นเหตุใ ห, ให้เกิดให้ตายกันแน่หลังจากนั้นเป็นต้นไปปัดฉิมยาน พระองค์ก็ทรงหมุนมาที่หัวใจเองของพระองค์เองการหมุนมาหมายความว่าภายในนั้นมีพลังเพียงพอสติสมาธิปัญญาเพียงพอหมุนเป็นตะปะธรรมอยู่นั้นแหละพระองค์ไม่ไม่ได้ไปตั้งหลักพิจารณาเหมือนอย่างที่เราได้อยู่ได้ฟังได้ศึกษามาเพราะยุคนั้นสมัยนั้นไม่มีใครมาตั้งให้พระองค์เรียนพระองค์บำเพ็ญขวนขวายด้วยเรี่ยวแรงของพระองค์เอง แต่อาศัยว่าพระจิตของพระองคนะ์นเต็มแปร่ไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเต็มแปร่เป็นพลังอยู่ในหัวใจหมุนเจา อ, อยู่นั้นนะ่ะจนกิเลดตัญหาอาสวะเหล่านั้นนะ่ะโผล่ออกมาไม่ได้อะไรโผล่ขึ้นมาก็หายอะไรโผล่ขึ้นมาก็ขาดอะไรโผล่ขึ้นมาก็ขาดอะไรโผล่ขึ้นมาก็ขาดนี่คือตะปะธรรมนี่ตะะธรรม สัพทําแผกเผาภายในคืนนั้นนะเพราะฉะนั้นในยามสุดท้ายของราตรีวันนั้นทําให้พระองค์ได้บรรลุอาสวยายาัคยาญาณกิเลสตัณหาหรือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่กองอยู่ในหัวใจของพระองค์นะั้นเหือดแห้งหายไปเหือดแห้งหายไปจากพระทัยของพระองค์เมื่อก่อนนั้นดูไปยังเห็นกองอยู่เต็มไปหมด ทุกห่วมทุกวิตกทุกกังวลทุกสารพัด ท, ที่เกิดขึ้นในหัวใจทุกได้รับความไม่สมหวังไม่ไม่พึงหวังไม่พึงปรารถนามาทําให้เกิดไม่พึงพอใจแต่ด้วยเหตุที่พระองค์ได้าอาศวัคยญาณนี้เกิดความพึงพอใจโอ้ดูไปสว่างโล่าหมดแล้วเกิดยานเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างเกิดอะไรจะอะไรนั่น ที่พระองค์มาเทศให้ปัญจวัคคีย์ฟังนั่นแหละถ้าหากสิ่งเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นพระองค์ไม่กล้ามาบอกปัญจวัคคีย์ว่าพระองค์ได้ตรัสรู้เพราเหตุที่เกิดขึ้นด้วยญาณด้วยปรรยัญญาด้วยแสงสวา่างต่างๆเหล่านั้นพนะระองค์จึงมาปฏิญาณตวัว่าพระองค์เป็นสัมมาสัมพุธธทธะทาให้พระองค์พอใจแะพอใจแล้วจึงเป็นเหตุให้พระองค์ได้พูดเป็นปฐมภาคิด เนกชาทีส่สร้างชาฐานสันทาวิสรงอันิพิสั้างที่ท่านพูดถึงว่าชาติทั้งหลายทาั้งปวงเป็นอนเนกอันนั้นที่พระองค์เกิดมาพบไหนชาติไหนก็าตามทําให้มีคนสร้างพบสร้างชาติให้พระ อ, องค์ต้องไปเกิดที่นั่นต้องไปเกิดที่นี่เหมือนกับเห็นนายช่างผู้สร้างเรือให้พระ อ, being, องค์ต้องมาเกิดต้องมาตายต้องมาเกิดต้องมาตายตอนนี้เห็นหน้าเห็นตาหมดแล้วได้ทําลาย บ้านหลังนั้นแล้วได้ทําลายเรือนยอดได้ทําลายกรอดได้รื้อนั้นออกได้รื้อนี้ออกรื้อหมดแล้วอวิชชาทั้งหลายไม่สามารถจะสร้างบ้านสร้างเรือให้พระองค์อีกต่อไปอีกไม่ได้อีกแล้วตะปะธรรมขอ ง, รง พ, พระองค์เนี่ยแผดเผาเหงื่อแห้งไปหมดจากขันธสันดาลนี่คือพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมได้บรรลุธรรมอาสะวะขยักญยาดขยักก็คือสิ้นไปอาสะวะทั้งหลายเนะ่ยเสื่อมไปสิ้นไป เมื่อก่อนนั้นมันเคยถูกหมักถูกดองอยู่ในกามาพบรูปประพบอรูปประพบไม่รู้จักจบไม่รู้จกสิ้นอันนี้คือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านออกมาบางเพร่นจนสามารถแยกพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองคนะ์เหลือเพียงหนึ่งเดียวเหลือจิตที่บริสุทธิ์ต้นร้วนเพียงหนึ่งเดียวสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวท่านไม่เรียกว่าสังขานดังกล่าวแล้วนั่นแหละ เพราะกิเลสตนาอาสวาภายในพระไัยของพระองค์แยกออกไปหมดแล้วที่เวลามันแสดงให้ปัญจวัคคีฟังปัญจวัคคีพระอัญญาโกลทัญญักได้ฟังแล้วได้เข้าถึงกระแสธรรมยังไม่ถึงที่สุดแต่เข้าถึงกระแสธรรมพระองค์แสดงไปด้วยพระไทยก็ดูเข้าไปด้วยพระัญญาโกลทัญยักได้ลงตาเห็นธรรมทําให้พระองค์เองเออรู้สึกว่า พิสูจทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลเกิดอุทานขึ้นมาโอ้อัญญาสิวัฒโพคนรอโยอัญญาซิวัฒโพคนรอโยควรทัญยะได้รู้แล้วเนอะควทันยะได้รู้แล้วเนาะเนี่ยอุทานออกมาถ้าจะว่าแบบหัวใจแบบพวกเราเราก็คือยินดีพอใจประสบผลสําเร็จในงานที่มาพิสูจน์ทดสอบและประสบผลสําเร็จเลยเป็นเหตุให้อุทานออกมานี่นี่คือพระพุทธเจ้า มีพระสงฆ์สาวกเป็นประจักษ์พยานวันที่สองก็วัดปัตภัตยัมหานามาัสจิโดยลำดับองค์ละวันองค์ละวันองค์ะวันอง์ะวันได้ดวงตาเห็นธรรมพอครบห้าวันวันที่หกพระองค์ทรงสแสดงอนัตตะลักนะสูอนัตตะลักนาสูนันะะนะะนนมันเป็นธรรมะรวบยอดชั้นละเอียด ใจของเราของท่านที่มีวิชาตัณหาครอบงาอยู่ในนั้นนะมันชอบออกไปกระไปเกณฑ์ทุกอย่างให้เป็นไปตามใจหวังของมันทุกทั้งหลายทั้งปวงที่เราประสบกันอยู่เหนื่งเหนื่งนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความผิดหวังทั้งนั้นเราดูเถอะเราต้องการต้องการให้ร่างกายเราอยู่เย็นเป็นสุขก็เหมือนอย่างเรานั่งนั่งฟังเทศน์นั่งเภานาน เพราะร่างกายเราเจ็บเราปวดขึ้นมาผิดหวังไหมคือร่างกายเราไม่สุกแล้วถูกเจ็บทุกปวดเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาและนี่คือผิดหวังต้องการให้ลูกดีๆอยู่ๆอ้ลูกจินยาบ้าใช่แล้วผิดหวังนะต้องการเดินดีๆเดินไปเผลิดหกล้มลื่นหกล้มแล้วโอ้ผิดหวังนะทุกทุกทุกอย่างทุกทุกเรื่องเกิดขึ้นจากการคาดหวังและการผิดหวังทั้งนั้น เราลองสรุบระย้อนไปดูแต่ละอย่างแต่ละเรื่องที่เราประสบพบเห็นอยู่เกิดขึ้นจากความผิดหวังจริงหรือไม่ตัณหามีอยู่ในหัวใจของเรามันไปคาดหวังกับสิ่งนั้นคาดหวังกับสิ่งนี้คาดหวังไปทุกอย่างคาดหวังไปทุกเรื่องคาดหวังไปกับอะไรก็ผิดหวังกับอันนั้นคาดหวังไปกับอะไรก็ผิดหวังไปกับอันนั้นถ้าไม่จึงผิดหวังคือชอบเอาจิตของเราไปกักไปเก็ สิ่งที่เราต้องการให้เป็นไปตามใจหวังนั้นมันเป็นไปตามใจหวังไม่ได้เพราะจิตคือผู้รู้ผู้นึกผู้คิดไปคาดไปหวังกับสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คนละส่วนกับจิตมันเป็นวัตถุคนละส่วนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยวัตถเุเหล่านั้นเหล่านั้นมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันแต่จิตคือผู้รู้เนี่ยชอบเอาผู้รู้ตัวเองไปกะไปเกมนี่คือเจ้าตันหา กระเคนตามความอยากของตัวเองอยากให้ถูกใจอยากให้เป็นไปตามใจผิดใจไม่ได้ขัดใจไม่ได้ต้องถูกใจต้องสมหวังน้อยนักที่จะสมหวังนอกจากเราไปโน้มเอียงใส่เข้าไปเองเออสมหวังแล้วสมหวังแล้วเท่านั้นเองนอกจากนั้นผิดหวังทั้งนั้นคือการไปคาดไปคาดไปเดาไปหวังผิดไปจากหลักกระแสของธรรมชาติ กระแสถกของธรรมชาติมันเป็นไปตามหลักอันนีจังตามหลักทุกขังด้วยภาวะที่มันเป็นอนัตตาแต่เราไปกะไปเกณฑ์ให้เป็นอัตตาอยู่ร่ำไปาศาสนาพราหมณ์เขาถือว่าเป็นาศาสนาแห่งอัตตาอัตตามันเป็นาศาสนาที่เสริมอัตตาจะศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนะี่ยท่านพิจารณาเลยอัตตาไป โอ้มันเป็นอัตตาไม่ได้เราไปคาดหวังกับสิ่งนั้นไม่ได้คาดหวังกับสิ่งนี้ไม่ได้สิ่งที่เราทำให้เราเห็นเป็นหินหักไปเลยคือเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยของรูป ก, ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเหตุปัจจัยของนามก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง <war> แต่เราเอานามนั่นแหละไปกะไปหมายไปหวังให้รูปปัะทำให้มันเป็นไปนตามใจหวังตัวเองเช่นอย่างไม่ต้องการให้กายร่างกายแก่ต้องการได้ไหมต้องการได้แต่ร่างกายมันไม่ฟังล่ ไม่ต้องการให้มันเจ็บต้องการได้แต่ว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันก็จะต้องแก่ไม่อยากให้ตายแต่มันก็ต้องตายมันไม่เป็นไปตามใจหวังของเราแหละเพราะมันเหตุปัจจัยเพราะมันมันจะต้องแก่เหตุปัจจัยมันทําให้ต้องแก่ต้องเจ็บและก็ต้องตายมันคนละเหตุคนละปัจจัยไอ้ผู้คาดหวังเป็นเหตุปัจจัยหนึ่ง ไอสิ่งที่เราไปคาดหวังให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองเป็นอีกเหตุปัจจัยหนึ่งเราพยายามจับตรงนี้ดูตรงนี้เกิดความข้างใจเราจะรู้ว่าภาวะรอบข้างตัวเรากับภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่มาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นถ้ามีเจ้าตัวการตัวไร้กะตัวนี้อยู่ในหัวใจฉีไหลเมื่อไหร่มันเป็นกะเกณ์ให้ถูกใจ หวังของมันทั้งนั้นเลยไม่ว่าเราไม่ว่าท่านไม่ว่าใครเพราะฉนะนั้นใครสามารถย่อนใจตรงนี้ได้ทงความเข้าใจตรงนี้ได้จิตใจพอจะปลอยอนุโลมแล้วก็ยอมรับกระแสของธรรมชาติเหล่านี้ได้ยอมรับได้เต็มร้อยได้กระแสธรรมเข้าถึงกระแสธรรมได้เราทำได้ไหมถ้าเราทำได้เข้าถึงได้เลย สกายทิฏฐิสกกายทิฏฐิสักกายะสำคัญมั่นหมายว่าเป็นกายเราว่าเป็นกายของของเราร่างกายมันไม่เห็นดูเรื่องของเราจะไปกะไปหมายว่าเป็นกายเราเมื่อกะหมายว่าเป็นกายเรากายเราก็อยากให้กล้ก็ร่างกายของเรานี่อยู่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนไปสุขสบายยังไงก็อยากสุขสบายอยู่อย่างงั้นไม่อยากให้พลิกไปไม่อยากให้เปลี่ยนไปไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตาย แต่ม kind of so ันเป็นไปตามใจหวังของเราได้ไหมมันไม่เป็นไปตามใจหวังของเราเพราะเหตุปัจจัยของมันในตัวของตัวมันเองมันเป็นเหตุปัจจัยของมันเองมันแก่ไปตามเหตุปัจจัยมันเจ็บไปตามเหตุตามปัจจัยและมันก็ตายไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันเจริญขึ้นตามวัยเจริญของมันแล้วมันก็เสื่อมลงไปตามวัยเสื่อมของมันในสู่มันก็สูญสลายไปจิตใจอยู่ไม่ได้จิตใจก็โดดออกไป อต ภ, าภาพร่างกายก็แตกสลายไปไม่ว่า จ, จะเป็นธาตรู้ก็ตามธาตุไม่รู้คือธาตุของร่างกายดินน้ํามลมไฟากา็ตามเป็นธาตุที่มีอยู่ดั้งเดิมในโลกเรามาดูธาตุไม่รู้ของเรามีอยู่ดั้งเดิมในโลกดินน้ําลมไฟมีอยู่ดั้งเดิมในโลกเราเอาของที่มีอยู่ดั้งเดิมในโลกมาเกิดเกิดในท้องแม่เราไม่ได้เอาของใหม่่ไหนเราเอาของเก่าจากพ่อจากแม่มาเกิด พ่อแม่ก็เอาของพ่อแม่ของท่านมาเกิดพ่อแม่ของท่านก็เอาของพ่อแม่ของท่านมาเกิดเกิดเป็นช่วงที่ช่วงเขาเรียกว่าสายเลือดสายเลือดสายเลือดของมนุษย์เกิดมาตามเผ่าพันธ์ของความเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้ที่ท่านเรียกว่าสายเลือดสายเลือดเกิดตามเผ่าพันธ์กันอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นรูปธรรมนามธรรมก็เช่นเดียวกันถ้ามีอวิชชาตันหามันปนเปื้อนมากับธาตรู้ผู้รู้ของเรามันก็เปลี่ยนผันธุพบ ชาติว่าเราไปไม่จบไม่สิ้นสุดอยู่อย่างนี้เปลี่ยนไปในกาลมาโลกในรูปประโลกอรูปประโลกรูปประโลกกับอรูปประโลกก็คือประเภทของประเภทของอประเภทของเอกวิการคืออาการหนึ่งประเภทของจตุวิการคืออาการสี่ นี่เรียกคื อ, อ, รปปรกอรูปประโลกอารูณประโลกส่วนรูปประโลกก็คือโลกมนุษย์ของเรานี่แหละที่เรามาเกิดอุบัติในโลกมนุษย์ที่เขาเรียกว่าอารม ป, ประโลกก็คืออารม ป, ปรสมบัติคืออารูณประชานคําว่าอารมประชานก็คือเขาพิจรารณาสิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นอารมณ์เหมือนอย่างอุทกดาบบดท่านได้สมัติเจตอ่าอาราบดาบบดท่านได้สมัติ7อุทกดดาบบดท่านได้สมาบัติ8ก็คือภูมิความสงบ ข, ของจิตระดับ พิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นอารมณ์ละเอียดจิใจละเอียดมากแต่ว่าไม่มีบุญวาสนาบารมีพอที่จะออกจากกรงข่ายตรงนั้นไปได้บุญบารมีไม่พอบุญบารมีไม่ถึงไม่รู้จะพิจารณาให้เห็นอันนี้จังทุกของอนัตตาคือความละเอียดของจิตพิจารณาไปไม่ถึงบุญบารมีไม่พอก็ลยยึดอัตตาอัตตาตัวตัวนัน แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาไปเลยโอ้มันไม่ใช่อนาตตาปล่อยชิงหมดเลยไม่ต้องมีผู้เสวยสุขเลยพอพระงองค์ทรงปล่อยหมดเท่านั้นแหละความสุขที่มากมายมหาศาลประมังสุขขังความสุขอย่างยิ่งเกิดขึ้นกับพระองค์แต่สำหรับบรรดาพรหมทั้งหลายนั้นดับชี้ไปชนไปลูป่นไปเกิดในพรหมโลกอายุมากมายมหาศาลแปดหมสี่พันกับโอ้บริยต จะได้มังเกิดในโลกมนุษย์อีกเพื่อจะสร้างบุญบารมีดีอันนี้คือความเป็นไปของธาตรู้ของเราความเป็นไปของธาตุไม่รู้ของเราธาตรู้ของเราก็เป็นของที่มีดั้งเดิมอยู่ในโลกเราเอาธาตรู้ที่มีดั้งเดิมอยู่ในโลกมาเกิดเราเอาธาตุไม่รู้ดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ดั้งเดิมในโลกมาเกิด พอเวลาระดับชี้วายชนไปไปแล้วหรือชำระจิตให้บริสุทธิ์เหลือแต่ธาตุรู้หนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์แล้วสูญไปจากโลกไหมก็ไม่สูญไปจากโลกเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านเอาพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์เข้ารูปปัสมาบัตอรูปปัสมาบัติแล้วไปประทับอยู่ที่สัญญาเวทีจิตนินโรธเวลาประทับอยู่ในรูปปัสมาบัติอรูปปัสมาบัติหรือประทับอยู่ในสัญญาเวทีจิตนินโรธ พระอนุรุทธะนี้มองเห็นเพราะสมาบัตเหล่านั้นเป็นวิหารธรรมสมบัตเหล่านั้นหลวงตาท่านเรียกว่านี่แหละสมสมุติสมมุติไม่ใช่วีมุติเป็นสมมุติมันเป็นผลที่จิตองนั้นฝึกฝนอบรมได้เวลาจิตประทับอยู่ในนั้นเนี่ยพระอนุรุทธะมองเห็นทีนี้เวลาพระองค์เข้าไปอวรรคที่สองตอนทําปรินิพพานกรรมเข้า รูปประชาญที่หนึ่งที่สองที่สามที่สแล้วก็ออกออกจากรูปประชาญรูปประชาญพระจิตที่บริสุทธิ์พระองค์ไม่อยู่ไม่พลาดพิงอรูปปริชาญก็ไม่เข้าพระอนุรุทธะมองไม่เห็นพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนื่องจากไม่ได้พาดพิงสมมตุติเราพิจารณาดูอย่างนี้แล้วเราทําความเข้าใจได้ว่าถ้ารู้ที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า ตราบใดไม่มาพาดเิ็สิ่งที่เป็นสมมุติแม้แต่ผู้ได้ที่ประจกักษ์สมวัชย์อย่างพระอนุรุทธะก็ไม่สามารถจะมองเห็นผู้ดได้อย่างเดียวว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วดับรอบแล้วกิเลสดับรอบมาแล้วสี่สภา พ, พระพันษาธาตุชั้งสี่ก็ดับรอบแล้วในขณะ น, นี้ตอนนี้ที่เรียก ว, ว่าปรินิพานดับรอบนี่ ทั้งธาตบริสุทธิ์มีอยู่ในโลกทั้งธาตุไม่บริสุทธิ์มีอยู่ในโลกถ้าตุนนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมในโลกนี่เราพูดมาถึงตรงนี้เราพูดปไปญากอะไรเราพูดถึงจากต้นชีวิตต้นหนึ่งคือวันนี้เป็นวันสําคัญถ้าอาจารย์กิรวัตรนะเป็นพลังร่วมบุญของพวกเราพวกเรามาพบกันด้วยพลังบุญของท่านวันนี้ เนื่องจากต้นชีของท่านเจริญเติบโตมาได้ถึง6 1 4ปี6 4 0 0 0ษา ส, สิ่งที่เราควรเทิดทูนบูชาความมันอุตสาหบอกสอนลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มีกิจกิจพิเศษที่เราควรเอาเยี่ยงอย่างท่านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านให้ที่อยู่ของพ่อ ให้ที่อยู่แม่ให้ที่อยู่พ่อให้ที่อยู่แม่ให้ที่อยู่เชื่อว่าให้ทุกสิทุกอย่างขึ้นชื่อว่าบุตรนั้นมีสามประเภทประเภทอวิชาตบุตรประเภทอนุชาตบุตรประเภทอภิชาติบุตรประเภทอภิชาติบุตรประเภทอนุ อาวัชชาติตบุตรนะั้นคือบุตรที่เลวกว่าพ่อเลวกว่าแม่อนุชาติตบุตรหมายความว่าบุตรที่เสมอพ่อเสมอแม่พวกเราทุกคนมีลกูกมีเต้ามีบุตรมีหละมีบุตรด้วยกันทุกคนบุตรคนใดที่มันดื้อบอกไม่ฟังดื้อดึหนหาเรื่องหาทุกข์หาโทษหาความทุกข์หาความยากลําลบากให้กับพ่อข้าแม่อยู่ร่ํำไปสร้างปัญหาอยู่อย่างไม่จบไม่สิน้น ดีก็ไม่ดีเป็นศัตรูเป็นเวรเป็นภัยไม่จบไม่สิ้นนี่คือประเภทอควาชาตบุตรคือบุตรที่เลวกว่าพ่อเลวกว่าแม่อันนี้ในกรณีที่ว่าพ่อแม่ดีกว่านั้นนะแต่ถ้าหากโลกแสดงกิริยาที่เลวกว่าพ่อคือลูกที่เลวกว่าพ่อเลวกว่าแม่ลูกอีกประเภทหนึ่งก็คือลูกที่เสมอพ่อเสมอแม่ไปตามพ่อไปตามแม่ที่จะเรียกว่าอานุอนุอนุ ไปตามพ่อไปตามแม่เป็นลูกที่เสมอพ่อเสมอแม่พ่อแม่พาทาบุญพ่อแม่พาสร้างฐานะทั้งหลายทั้งปวงเขพาจัดพาทาพาสร้างไปตามพ่อไปตามแม่ได้หมดพ่อแม่ได้พึ่งได้พึ่งพา อ, อาศัยได้อะไรจต่ อ, อะไรทุกอย่างแต่เป็นถ้าเป็นประเภทอภิชา ต, ตบุตรแล้วเป็นบุตรที่ยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่ด้วยศีลด้วยธรรมพ่อแม่ไม่ค่อยมีศีลค่อยธรรม แต่บุตรผู้นี้มีศีลมีธรรมมีสมาธิมีปัญญามีภูมิอบรมมีภูมินะมีภูมิบอกมีภูมิสอนจนสามารถพ่อแม่ไม่มีศีลธรรมสอนให้พ่อแม่มีศีลมีธรรมพ่อแม่ไม่เคยเจริญสมาธิพ่อแม่บอกพ่อบอกแม่ให้มีศีลมีสมาธิตั้งใจฝึกฝนอบรมให้เกิดความรู้ให้เกิดปัญญาเป็นประเภท จูงพ่อจูงแม่ที่เขาเรียกว่าพี่ชาติตบุตรเป็นบุตยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่เราดูไปตัวอย่างเช่นอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยยกตัวอย่างเห็น ง, ง่ายๆท่านยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่เพราะสามารถบรรลุธรรมเอาธรรมเหล่านั้นมาสอนพ่อสอนแม่พระเจ้าสุโธทนะได้เป็นพระอรหันต์นางสตรีมหามายาหลังจากประสูตร แล้วเจ็ดวันก็ทีวงคนไปเกิดเป็นเท้าลุสิ์นุ่นอยู่สวรรค์ชัน้นดุสิตครูที่ย้าได้บรรลุธรรมแล้วพระองค์ไปโปรโดสแสดงพติธรรมโปรโดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงจนเท้าดุสิ์ที่เป็นศริมหามายานั้นนะได้เป็นพระโสดาบันนี่คือท่านโปรโดได้ทั้งพ่อโปรโดได้ทั้งแม่นอกจากนั้นพิมพาราหุนพระญาตพระวงศ์พี่พี่น้องๆ ทั้งหลายทั้งปวงโปรได้อัดได้ทําได้มัดได้ผลไปตามๆกันนึ่งคือเป็นประเภทอภิชาติตบุตรเราควรจะเป็นอภิชาติตบุตรหรือควรจะเป็นอนุชาติตบุตรอย่างน้อยๆอนุชาติตบุตรต้องเป็นพื้นเอาไว้จากนั้นแล้วเราพยายามสร้างฐานะของเราให้เป็นอภิชาติตบุตรผู้ที่เป็นอภิชาตบุตรนี่เอง สามารถสนองบุญสนองคุณของพ่อของแม่ได้หมดแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วเอาพ่อแม่เลี้ยงดูอย่างดีขนาดไหนก็ตามชื่อว่าสนองบุญสนองคุณของท่านไม่หมดบุญคุณของท่านคืออะไรคือความทุกข์ความยากความลำบากที่ท่านเกี่ยวข้องกับเรานั่นเนเราดูตั้งแต่ท่านอุ้มทองมาแม่พ่อแม่ร่วมกันปลูกอ่าเสร็จแล้วก็แม่เป็นคนอุ้มทองมา ทุกอย่างลำบากไหมต้องทุกต้องทรมานเจเดือนแปดเดือนเก้าเดือนอาหารนี่ก็ต้องระมัดระวังมากไม่ระวังเดี๋ยวก็ ล, ลูกในท้องเนี่ยแท้งออกมาอาหารร้อนก็ต้องระวงังอาหารเค็มอาตาัตราเผ็ดอาหารร้อนอาหารอะไรต้องระวงังอะไรที่เป็นของแสลงกับลูกในท้องต้องระวังมากๆเดินต้องทะนุถนอมกลัวหกกลัวล้มกลัวนู้นกัวนี้กลัวกระเทือนถึงลูกในท้องทนุถนอมต้องแต่เมื่ในท้องยังไม่เห็นหรอกไม่เหมือนสมัยทุกวนันแต่ก่อน่ะ สมัยทุก ว, วันนี้เขาไปส่องเห็นได้หมดลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงแต่สมัยแต่ก่อนไม่เห็นดอก่อจะคลอดออกมาถึงจะรู้จะเห็นเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงดีใจตั้งแต่รู้ว่าตั้งท้องดีอกดีใจสนุนองพ่อสนุกสนองละมัดระวัง่งสนองทุกอย่างนี่ภาระเหล่านี้แหละคือบุญคือคุณ แลก็บุญคุณส่วนหนึ่งที่เราสนอไม่หมดก็คือบุญคุณที่เป็นเลือดเป็นเนื้อของท่านพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันทุกคนนี้คือเลือดเนื้อโครงสร้างได้มาจากพ่อได้มาจากแม่มีใครปฏิเสธได้ไหมใครเคยเอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่มีไหมไม่เคยมีเลยเป็นเลือดของพ่อเลือดของแม่มาผสมกันได้โครงสร้างมาจากพ่อจากแม่ แต่พอเวลาวิญญาณมาสวมมาสวมเข้าโตมา 7, ็ดปีแปดปีสิบปีสิบห้าปีขึ้นไปชักบอกไม่ค่อยได้แล้วทิฏฐิมันชักเริ่มดีขึ้นอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาแล้วตัวเราตัวเราบางคนถึงกับฆ่าพ่อก็มีฆ่าแม่ก็มีเพราะอะไรเพราะอัตตามันเต็มแปร่มันเต็มที่มันถูกหลอกไหมจิตใจมันถูกหลอกไหม มันมาสวมรองมาสวมร่องมาสวมรอยคือมาสวมอัตภาพร่างกายนี้แต่ในขณะเดียวกันก็นยึดว่าเป็นเราก็เป็นของของเราและพยายามกะเกณให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองเรามาพิจารณาดูอย่างนี้เราก็ได้รับความสลดใจได้ครับรับความสังเวชใจจากความที่น่าอดสูด้ดวยอวิชชาตันหาปาทำมาครอบม้วใจของเราเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเรามีน้าออกไหม ตอกของเราคือตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเจริญสมาธิตั้งใจพิจารณาทางด้านปัญญาและสร้างสมบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นขั้นบุญยะกิริยาจะเป็นธรรมะกิริยาทจำเป็นจะเป็นธรรมะภาคปฏิบัติสรุปลงแล้วตะล่อมรวมหลอมรวมมาที่ภาชนะคือใจของเราโองเดียวการตั้งอกตั้งใจฝึกฝนโหรงตามหลัก ของศีลของธรรมทั้งนี้ตะล่อมหลอ ม, ลอมรวมมาที่จิตของเราตรงเดียวให้เป็นผู้มีบุญเต็มแปรในหัวใจของเราคือกายกรรมดีว่าจีกรรมดีและมะโนกรรมดีคือกลายเป็นคนดีะละชั่วทำดีแล้วก็สามารถทำจิตให้บริสุทธิ์ด้วยแล้วเราประสบความสุขถึงขั้นปรมาณสุขขังนี่คือ ความเป็นไปที่พอเล่าสู่กันฟังพวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปไขกลัวเอาไปไตรตรองดูดูกองสังขารของเราเพราะเรามาพิจารณาถึงตรงนี้ปั๊บเราได้ข้อปฏิบัติทันทีเอาไปพิจารณาให้เราได้ข้อปฏิบัติทันทีถ้าเราจับอย่างอื่นจับนู้นก็หลุดจับนนี้ก็หลุดจับอะไรก็หลุดเราดูมาตรงนี้เราเห็น โอ้ทุกคนเกิดในท้องแม่จับก็งนี้โอ้ไม่คงที่ไม่คงที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปได้เหตุด้วยปัจจัยของมันอร่างกายเปลี่ยนไปได้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันแต่ว่าเหตุปัจจัยของจิตนั่นแหละอวิชาตันหามันเปื้อนมันฝนมันเปื้อนมาด้วยทยํายังไงมันถึงจะสำร้องออกมาได้ถ้าหากเราไม่เอาปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นโอกาสที่จะปล่อยที่จะวางมันไม่มีโอกาสที่จะปล่อยได้ ไม่มีโอกาสที่จะวางได้ปัญญาถ้ า, ากเรามีแล้วเกิดแสงสว่างในหอนใจของเราเหมือนกับเราไปเปิดของที่คว่หงายขึ้นมาให้เราเห็นมีอะไรอยู่ในนั้นเราเห็นหมดอโอสิ่งนี้เป็นของดีสิ่งนี้เป็นของมีโทษโอ้สิ่งนี้อสสรพิษมันก็ปล่อยไม่ต้องไม่ต้องบอกให้ปล่อยก็ปล่อยถ้าหากไม่มีปัญญารู้ไม่มีปัญญาเห็นมันไม่มีปล่อยอะไรสักอย่างเลย คำว่ า, าปล่อยคำว่ า, าปล่อยในชนี้หมายความว่าเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นด้วยปัญญาของเราเข้าไปเห็นแจม่มแจ้งชัดเจนเหมือนอย่างพระโสดา บ, บันท่านเข้าไปรู้เข้าไปเห็นท่านไปเชื่อความรู้ความเห็นของท่านจนกลายเป็นอจนะศรัทธาแต่หมายความว่าต้องขับเชี่ยวเต็มที่จนกลายเป็นปัญญาจนกลายเป็นปัญญายาเดี๋ยวนี้ขั้นพื้นๆขั้นปัญญาที่พวกเราทานั้น พวกเราก็มีปัญญาเห็นช่องนั้นเห็นเห็นช่องนี้เห็นอะไรแล้วก็คนนั้นเห็นช่องนั้นก็นี้เห็นช่องนี้เห็นเหมือนกันมากไม่เหมือนกันบ้างแต่ปัญญาพิเศษยังไม่เกิดขึ้นคือปัญญายาถ้าปัญญายาเกิดขึ้นแล้วเราเชื่อตัวของตัวเราเองเต็มร้อยโอ้ไม่ใช่เราทิฏฐิส ก, กายทิฏฐิก็เริ่มลดไปยางไปคลายไป มีความสำคัญว่าโอ้ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานี่คือความรู้ความเห็นความเข้าใจข้างในที่เราเข้าไปรูป้เข้าไปเห็นจะทำให้เรามั่นใจตัวเองเชื่อมั่นในพระเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เ ต, ต็มร้อยตั้งอกตั้งใจภาวนาะมีก็จิตกระ จ, ระ ใ, จให้คานกระให้จนหมดเนื้อหมดตัวไม่มีหวง S <S <an> เหมือนอย่างที่ว่าท่านว่าพระโสดาบันเนี่ยให้ทานจนหมดตัวเพราะฉะนั้นสมัยพุทธกาลเนี่ยใครเป็นพระโสดาบันเนี่ยคารวะเป็นพระโสดาบันให้ทานจนหมดตัวจริงๆจนพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้ท่านให้พระสงฆ์ไปสวดเป็นเสขารุคคนคนใดก็ตามที่พุทธเจ้าให้สงส์ไปสวดเป็นเสขารุคคลแล้วถ้าไม่ไม่ได้นิ ม, มนต์พระสงฆ์ให้ไปบิณฑบาต ท, ที่บ้านพระสงฆ์ไปบิณฑบาตปรับอาบัติน้า เพราะเหตุที่เขามีความเรื่องแสสถานี่หมดให้ไปรับบาตเขามีเท่าไรก็จะทํามาหมดพระยาพุทธเจ้าท่านทรงกําชับไว้อีกว่าถ้าเธอไปรับข้าวกับแกงหรืออาหารหรือขนมนมเหน่อยก็ตามมากน้อยเท่าไหรก็ตามเขาถวายมามากน้อยเท่าไรก็ตามรับมาได้แต่ต้องไปแบ่งแจกหมู่แจกเพื่อนเอาไปรับเอาไปบริโภคคนเดียวปรับอาบาต เพราะอะไรพระพวกนั้นให้จนหมดเหมือนอย่างที่ท่านเปรียบให้ฟังว่าเหลือข้าวจานหนึ่งกำลังจะตักเข้าปากบางดีพอดีมีคนเดินเข้าไปพอดีว่ายังไม่ได้รับทานอาหารเห็นความสําคัญของความอิ่มของคนอื่นมากกว่าความเข้าปากของตัวเองเพื่อจะได้อิ่มเองการให้คนอื่นได้รับทานได้อิ่มเห็นว่าได้ผลมากกว่าเข้าปากเข้าท้องของตัวเอง ให้เขาเอาไปรับทานเฉยเจ้าของยอมอดนี่คือความศรัทธาในทานเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอาจรย์ศรัทธาจรย์ศรัทธาไม่มีโยกไม่มีกรดนี่คือความเชื่อความเริ่มใสาศรัทธาทานของอุตชชนธรรมดาทานของพระโสดาบันธรรมดาผลอนิสง์จะแตกต่างกันเพราะพื้นเพของจิตแตกต่างกันการเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความละเอียดของจิตแตกต่างกัน มีพวกเราได้ยินได้ฟังรู้สึกว่าประลบรรมมาโอ้ต oh. ีหนึ่งพอดีได้เวลาที่กักเกณฑไว้พอดีโอ้ oh. ว่าจะพูดน้อยๆทาไมพูดยาวแล้วเกินนั่นจบแล้วเกินยาวนั่นแล้วเกินนั่นจบแล้วเกินว่าจะพูดโทพูดโทรพูดโทตามไม่ได้พูดโทแล้วนั่นแล้วเกินนั่นจบแล้วเกิน น, น, นั่นจบแล้วเกิน เป็นสริริเป็นมงคลทั้งนั้นแหละให้สู้เอาไว้ให้อดเอาไว้ให้ทนเอาไว้สายพุทธการทั้งเทศทั้งคืน <c oughs> แค่นี้กลับไปไปนอนเงียบเดียวก็อิ่มแล้วบางทีด้วยบุญที่เราได้ครับจากการได้ยินได้ฟังบุญเต็มอึง้งตึงไปนอนแป๊บเดียวก็อิ่มแล้วโอ้ท้งนี้เราได้ฝ่าได้ฝืนถ้าหากเราไม่ฝ่าไม่ฝืนขนาดนี้เราก็จั มาถึงนี้ไม่ได้มาถึงตรงนี้ไม่ได้ไอ้คําวมาถึงนี้มาได้ถึงถึงถึงตรงนี้มาได้หมายก็รวมไปถึงข้อประพฤติด้วยข้อปฏิบัติ ด, ด้วยระดับจิตใจของเราด้วยเพราะฉะนั้นด้วยระยะเวลาเพียงเท่านี้พอสมควรแก่เวลาผลอนานิสงส์ใดๆที่พวกเราทั้งหลาย ม, มาบำเพ็ญเพื่อบูชาคุณของครูบาอาจารย์รวมทั้ง อู้วิจารย์พระเจ้าพระสงค์ด้วยวัตถุทยทานด้วยเรี่ยวด้วยแรงด้วยสติด้วยปัญญาที่เราร่วมด้วยช่วยกันทุกอย่างทุกเรื่องจนบรรลุประสบผลจากวันนี้พรุ่งนี้ถึงแก่ลูกล่วงไปด้วยดีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ย่อมมีผลมีนอาณิสง์ขอผลอานิสง์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงตามอํานวยอวยชัย ให้พวกเราทั้งหลายประสบความสุขความเจริญและขอความบักบันอุตสาหพยายามบำเพ็ญจนได้อัดได้ทำได้คุณได้กุศลเต็มแร่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้อุทิศบูชาให้ครูบาอาจารย์เราเรามีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสบายใจทนทุกข์นทนโทษทนเวรทนภัยในวัตะสงสารโดยทั่วทั่ว หน้ากันทุกท่านเออจิตังปฏิตังตุ้งขังควาเมวสัมมิฉัตุสัพเทภูเรมตุสังกปาจันโทปนะระโสยะทามนิโชติระโสยะาสัพพีตโยวิวัชชนตุสพโรโควินาศตุมาเตผวัตวันธรายโยสุขีทีคาโยโกาวะอ ภ, า ภ, าภาิวาธนาศีริชนจัลุธาปัยยโ น, โน จัตารโรสมาวัตดันติอายุวโนสุขัง